ว่าทางนี้เป็นหุนทางเพียงทางเดียวแต่อันนี้เขาแปลแล้วสวดไม่เพราะว่าไม่เหมือนสวัสดที่หลวงพ่อแปลเราไม่เจอสวดได้อันนี้เขามาดัดแปลงใหม่ว่าหนทางเพียงทางเดียวเท้นทางอื่นไม่มีที่จะไปจัดการแก่ตัวที่ <c oughs> ความทุกข์ น, นะอะไรนะตัวมาเอกายานุโมสั ต, ตานังวิสุทธิยานหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดของกายของใจแล้วก็บอกว่าโสกะเปริเทวาณัง สมรติกรรมะยะเพื่อความก้าวข้ามเสือซึ่งความสุขเศร้าพิไรธรรมผัดความระทมทุกข์ทั้หลายข้าข้ามได้แต่เมื่อก่อนเราก้ามเข้าก้าวข้ามมันไม่ได้ใช่ไมอันอนที่สองอันที่สองคือก้าข้ามเสจอความไม่สบายใจทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ทุกขกระโทความสุขเศร้าพิไรมันทุกขกระโทมนัสสะสารังอัถังขมยะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้ข่งความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ระโทถมนัสความไม่สบาย โศกเศร้าพิเรนผ่านให้ก้าวข้ามเมื่อก้าวข้ามได้แล้วเนี่ยถ้าจะเริญสติต่อไปเนี่ยทุกกรโทูมนัส andere, สารังอัถังขมิยะความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกแปลว่าความไม่สบายกายทูทูมนัสแปลว่าความไม่สบายใจทุกความไม่สบายกายนะโทูมนัสแปลว่าความไม่สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรจะตั้งอยู่ไม่ได้เเรานั่งร่างน้ำมันตึงอยู่นี่ทําไมตั้งอยู่ไม่ได้แต่พอเราขยับมันตั้งอยู่ได้ไหม นี่คือตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเรามีสติแล้วขยับแต่คนไม่มีสติไปไงก็นั่งแช่อยู่ยนั้นปวดหลังปวดเอวเหน็บชาคิดแขนขาก็มันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเพราะเราขาดอะไรขาดสติไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่อดทนก็กายเขามันไม่ต้องอดเอพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องมีสติในการเอาออกเอาออกคือขยับพอขยับปับ๊บมันก็หลุดไปแล้วใช่ไหมคือไม่ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้แต่บางคนไม่ได้ฝึกสติมาก่อน ไม่สบายทั้งกายนี่นะเอาออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้อยู่ตรงนี้สติไม่ไดีอยู่ตรงนี้ผู้รู้จงไม่เกิดจิตทรงไปไหนไมันจะร่างกายนี้จะแย่อยู่แล้วเหมืนอนเราอยู่หน้าเตาปรุงอาหาร้หหรือพอยืนกับที่นานๆคลึงหมดทั้งตัวเลยรู้สึกตัวไหมไม่รู้เพราะว่าสติไม่เข้มแข็งแต่ถ้าคนรู้สึกตัวก็จะขยบับเปลี่ยนดูกายแต่มือก็ทาอะไรก็าทาไป แต่อีกใจหนึ่งมาดูกายว่าเรากําลังร่างกายเรากําลังไปีไงปรับชุบเลยนี่คนจะต่างกันตรงนี้เพราะคนที่ทือที่แข็งปล่อยให้อยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนคนนั้นก็จะเกิดความไม่สบายกายความไม่สบายกายเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาร่างกายมันเกรก็งมันเท้นมันบีบตัวใช่ไหมเพราะมันบีบตัวแล้วมันไปนอัดเซลล์ต่างๆเซลล์ต่างๆวัตกอัดทุบบีบมันก็จะชาจะด้านจะเจ็บจะปวด เพราะว่าเสียวเล็กๆมันถูกบีบมันเกร็งใช่ไหมเกร็งระยะนานๆอย่างเุ่นว่าเราทํางานอะไร น, นานๆเกรงแต่ถ้าหาว่าคนนั้นรู้สึกตัวก็จะผ่อนคลายดีแลกจะทำอะไรก็ทํ า, า, ทาไปไม่จําเป็นต้องเกร็งกดดึงอยู่กับที่นะก็เคลื่อนไหวไปอันนี้คือประโยชน์ของการเคลื่อนไหวสามารถผ่อนคลายสามารถดีแลกเอาตัวเทนส์ตัว s ี r รียสเนี่ยออกไปเพอเราทั่วนี้เรายอมรับแล้วว่าเชื่อมริเวงส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียดใช่ไหมความเครียดเกิดจากอะไร เกิดการกดดันและเกรงในกล้ามเนื้อส่วนนั้นนานๆกล้ามเนื้อส่วนนั้นที่มันเกรงนานๆแล้วมันถูกการบีบบีบแล้วเซลล์ก็จะต้องรีแลกซ์ผ่อนคลายถ้ามันเกรงแล้วมันบีบเส้นเลือดเส้นลมผ่านไปไม่ได้ก็เกิดการบาดเจ็บเซลล์ที่บาดเจ็บมันก็จะอ่อนล้าแล้วก็ตายไปเซลลจํานวนมากในร่างกายถูกความเปลียนเข้าไปความร้อนของความเกรียนเข้าไปเผาผ่านวันหนึ่งตายเป็นล้านๆตัวนะแล้วมันก็จะ ถ่ายออกมากับอุจาระปัสสาวะของเราแต่ในกรณีที่ระบบขับถ่ายก็ไม่ดีเครียดก็มันขับถ่ายออกไม่ทันเมื่อขับถ่ายไม่ทันพวกเซลล์ที่มันตายเหล่านี้มันก็จะไปกระจุกรวมที่ใดที่หนึ่งที่ร่างกายเราอ่อนแอตรงไห น, นมันก็จะไปกระจุกตรงนั้นพราไปกระจุกตรงนั้นเซลล์ที่มันตายกองรวมกันเยอะๆมันก็กลายเป็นเนื้อร้ายท mm. ี่มันเกิดจากอารมณ์แล้วก็เร็วเนื้อร้ายใช่ไหมเลวไม่ใช่โรค แต่คือเซลล์ต่างๆที่มันมารวมตรงนั้นแล้วอายวะของผู้หญิงผู้ชายตรงไหนที่เซนซิทีฟมันก็จะไปกองกันตรงนั้นผู้ชายเซนซิทีฟตรงไหนก็มันก็จะไปรวมตายกันตรงนั้นผู้หญิงเซนซิทีฟตรงไหนก็ไปรวมตายตรงนั้นเพราะฉนั้นก็จะต้องมะเร็งก็กินนี่เซนซิทีฟหมาความอายวะตรงนั้นมันอ่อนแอมันรู้สึกได้เร็วมันก็ทําให้เพราะนั้นวิธีการเวลาเจริญสติมันช่วยได้ก็ เคลียพวกนี้ออกร่างกายเราไม่เกรงไม่เครียดไม่ตึงใช่ไหมเพราะเรารู้ตัวก่อนเนี่เราเยอย่าปรับปลี่ยนเรื่อยๆก็ทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายเซลก็ไม่ได้กายเยอะมันตายอะ่ะแต่มันตายไม่เยอะมันก็ขับถ่ายออกทางทางุชลาปัสสาวะลมหายใจเหงือ่ออะไรพวกนี้ก็ขับถ่ายออกไปอันนี้ความสบายกายความสบายใจก็ เ, เกิดขึ้นเรียกว่าทุกขโทวณัสสาหนังอัดถังขมัญความทุกข กายทุกใจตั้งอยู่ไม่ได้เพราะสติเข้าไปช่วยอันที่ 4, ยยสี่เรียกว่าญาณสัตทิมายะเพื่อบรุธรรมที่เราควรจะบรรลุเขาครจะถึงบรรลุญา ย, ยธรรมนะธรรมที่เราควนจะรู้คนจะถึงคืออะไรเพราะเรารู้ไปเห็นกายเห็นใจประมอกเข้ามาเห็นอะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจกายใจเปลี่ยนแปลงตามกฎของอนิจจัง ทุขังอนัตตาใช่ไหมร่างกายนี้รูปทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามปวดข อ, <ช>อของอนาาิจจังทุกขังอนัตตาโกรธท่องมาเลยเมื่อเราขาดตัวรู้เข้าไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของอนิจจังทุขังตาของรูปเราเข้าไปสําคัญว่ารูปนี้เป็นตัวเราเราก็าไม่เห็นอนิจจังใช่ไหม <S <S เราก็าไปคิดว่านั่นคือเราความรู้สึกนี่คือเราความปวดนี่คือเราความสบายนี่คือเราความง่วงนี่คือเราเราก็จะงงแช่อยู่ในงงใช่ไหม ในวันเพราะเราไม่เห็นความ ง, ง่วงพความง่วงก็เป็นกฎของอันนี้แางทุกขังนาตาความง่วงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่กระตุ้นสติเข้าไปทํางานมันก็จะเกิดการนิ่งพราะเราขาดอะไรกําลังสติเราไม่พอกําลังสติไม่พอเพราะเราไม่เลิศไม่เอาเวกเราพยายามแช่ยอยู่ในอารมณ์นั้น<ม> น, นเห็นไหมเห็นสายโซ่ของของความทุกข์เห็นไหม มันเวิร์กมากเลยแต่ทำไมเราไม่พอยศรัทธาเลยไม่เข้มแข็งพอที่จะไปรู้มันไงเราเ ignore, ignore ก็อิกนออิกนอหบายขวามว่ละเลยเพิกเฉยไม่สนใจแล้วกลายเป็นอิกนอลนแปลว่าอะไรอวิชชาความไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นนะเสียแล้วข้อสุดท้ายท่าใช้คำว่านิพานสัะสจิกิยายะเพื่อทาพระนิพพานให้แจ้ง นี่อันิีสงของเจริญสติมี5อย่างนะ 1. นทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ 2. ทํทำให้ก้าวข้ามความโศกเศร้าพิไลลำพัน 3. ามทำให้สุขเอ่อความไม่สบายกาย ส, สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้ 4. ทํทำให้บรรลุธรรมตามลำดับทําทำให้เข้าถึงตัวนิพพานคือจิตมันเย็นกายมันเย็น พูดถึงเรื่องเย็นที่สัมผัสได้ครั้งหนึ่งสมัยที่มาตอนเป็นผ้านหนุ่มๆที่สแสวงหายอยู่เนี่ยเอามาไปวัฏวัตน์จากผ้าตัว น, นั้นหลวงพ่อครูบาผมมาจากยังไม่มรณะนะพ้าท่านอบรมปริวัติเป็นผ้าเป็นพันๆนะวันสุดท้ายเนี่ยท่านเคยจะไปให้อววาดก่อนที่จะปิดปริวัติในช่วงนั้นแต่มาไปเยี่ยมพอดีทีนี้พอมาท่านกําลังเดินเข้าบสถเอามาก็จะเข้าไปท่านจับมือเอามาเย็นวาบเลยว่าทั้งตัวเลย เย็นมากๆเลยโอ้มันเย็นเข้าไปถึงใจเลยนะเพราะครู บ, บาปมิจัดเป็นภาคีเจียจารย์ที่ดังมากของภาคเหนือใช่ไหมที่จังหวัดลำพูนน่ะปรบประบัดดักผ้านั้นรรนั้นไอ้นนความเย็นเนี่ยหมายความว่าท่านไม่มีความร้อนอยู่ในตัวเลยเพราะอะไรความเทนส์ความเครียดความเสียเรียความตึงไม่มีเป็นความผ่อนคลายตลอดเวลาจะเย็นนี่นคือนิพพานเพราะเย็นเย็นทั้งกายทั้งใจนิพพานะสัชชิกิริยายะห้าห้าประการ แต่พรุนี้ไปถามใหม่นี่จำไม่ได้แล้วนะฮประการคืออะไร <c oughs> อันนี้อันนี้คือความเสียเปรียบที่มาเช้าไปแต่ว่าเราก็ขยันบ่อยๆหน่อยขยันทําบ่อยๆก็จะฟื้นขึ้นนะเอาละอันนี้คืออันที่ส่งให้ประการนะหนึ่งทำให้เรากายจใจเราสะอาดบริสุทธิ์สองทำให้ก้าวข้ามเสียซึ่งความ สุขเศร้าพิไรลำพันธ์ความลำพันธ์อย่างงู้นอย่างนี้ไ่อ้คววนคาควรเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มีสความไม่สบายกายไม่สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้สทําให้เข้าถึงทำตามลําดับเออวันนี้เห็นอันนี้จังทุกครั้งนาดาวพรุ่งนี้อาจจะเห็นอะไรความรคป่วหลงมัลลูนนี่อาจจะเห็นขันห้าวันต่อไปอาจจะเห็นดันหาอุประธานวันต่อไปอ จ, จะเห็นการเกิดดับวันต่อไปอ จ, จะเห็นปรามัติไปตามลําดับยายัสัะ น, นี่เมื่อไรก็แช่อยู่ในเรื่องรูปน้ำน้ารูปอยู่นี่ทั้งปีก็เรียกว่าการปฏิบัติเราไม่ไปไหนอ่าไม่ไปไหนเพราะว่าเราไม่เกิดศรัทธาแล้วเราไม่เกิดปัญญาด้วยวันาาวันวันนะจะบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาบางคนมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างไปไงมันจะไปปุ๊บๆุ๊บเลยแต่ถ้าหากมันช้ายุ่งสวัสดขาดอะไรสองอย่างนี่ ความเพียรความเพียรคือขาดศรัทธาเพราะศรัทธาและความเพียรเป็นเรื่องเดียวกันแต่ปัญญาคือสติสมถิรวมเป็นปัญญาศรัทธาและความเพียรรวมเป็นศรัทธาเพราะนั้นอสีทั้งห้าก็เหลือแค่สองคือศรัทธาและความเพียรเป็นเรื่องเดียวกันหนึ่งสติสมถิรวมกันเป็นสองคือปัญญาเพราะฉะนั้นเราขาดตัวไหนก็ไปเติมตัวนั้นถ้าขาดความเพียรก็ไปเติมความเพียรถ้าขาดปัญญาก็ไปเติมสติไปเติมสมาถิ เราจะรู้ว่าคนนี้ศรัทธามากศรัทธาน้อยอยู่ดูดูดูดูที่ไหนดูที่ความเพียรเราจะรู้ว่าคนนี้มีปัญญามากปัญญาน้อยดูที่ไหนดูการมีสติมีสมาธิดีใช่ไหมพอศรัทธาและปัญญานั้นเป็นผลวิิยะเป็นเหตุของศรัทธาสติสมาธิเป็นเหตุของปัญญาเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ เมื่อรู้ขบวนการไปอย่นี้ปับ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อเราขาดตรงไหนเกินตรงไหนใช่ไหมเราก็เติมลงไปยยมอุ้ยขาดอะไรที่ขาดทั้งหมดเลยขาดทั้งหมดอย่างนิดๆหน่อยอย่งางนิดๆหน่อยผ <c oughs> สมประสาทอย่างนิดๆหน่อย <c oughs> เอาละทีนี้มาดูตัวบทอามาดูตัวบทที่เราสวดเป็นกาเยกายานุปัสีวิหาราติอาตาปีสติมาสัมปชานุวินัยโลเกะอภิชาโตุมนัสังใช่ไหมตัวบท อันที่หนึ่ง <Okay. S 1> มีสติดูกายในกายด้วยอะไรด้วยอาตาปีสติมาสัมปชาโนสัมพะโชสุสติมาคือให้มีความเพียรอาตาปีที่ว่าเมื่อวานใช่ไหมให้มีความเพียรเพียรที่เกี่ยวกับอาตาปีคือเพ่งเผาในส่วนที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายให้ความรู้สึกที่มีเรื่งรองอะไรเผาอรไปอย่าให้มันมีอยู่เผาความรู้สึกทางกาย ก็คืเผาความเกลียบความปวดความเมื่อยออกไปถ้ามันรู้สึกเผาความรู้สึกทางจิตก็เผาความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปความขี้เกียจความฉุนเฉียวความโมโหความขี้เกียจความเกียจข้านความอะไรต่างๆนี่เผาออกไปให้เหลือแต่ใจล้วนๆให้เหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆอาตาปีเผาด้วยอะไรด้วยสัมปชัญญและสติมาที่ให้มีความรู้สึกตัวตู้พร้อมมีความรู้ตัวอยู่เสมอเหมือนไฟสองอันนี้นะสัมปชัญญสติมานี่เหมือนไฟไฟมีคุณลักษณะกี่อย่างคุยสัมปัติูของไฟมีกี่อย่าง าไฟมีเย็นด้วยเหรอร้อนน้อย้อเออร้อนน้อยๆเรียกว่าเย็น <c oughs> อไม่ <c oughs> น้อยก็มันก็ร้อนมาก <c oughs> มันก็ร้อนจ <c> ะ <oughs> มีสองอย่างคือร้อนและสว่างร้อนและแสงสว่างคุณสมบัติของไฟ <c oughs> ออนี่เห็นอยู่กยนนะอนี่เห็นมามันสว่างเกินไปลองมองมาเห็นเพราะฉะนันคุณสมบัติของไฟมีสองอย่างคือร้อนและสว่างคุณสมบัติของ ความเพียรมีสองอย่างตัวร้อนคือตัวสมัมผัสยยะตัวสว่างคือตัวสติก็จะเรือกสองอย่างรวมคือเรือกอาตตาปีคือไฟอาตตาปีแปลว่าเตาไฟเตาไฟนั้นต้องเผาด้วยสองอย่างคือเราจะเลือกอันไหนระหว่างแสงสว่างกับความร้อนถ้าเราจะคุกอาหารแสงสว่างไม่จําเป็นต้องใช้ความร้อนแต่เราจะดูนั้นดูนี่ต้องใช้แสงสว่างเข้าใจใช่ไหม เพราะนั้นเราจเจริญอาตาปีเนี่ยเพื่อให้เกิดแสงสว่างและความร้อนความร้อนเราใช้ตอนที่เพ่งเผาอะไรบางอย่างเ่นใช้ความเพียรเพื่อที่จะเผาสมมุติความคิดที่ไม่ดีนะตรงนี้ต้องใช้ความร้อนเผาเหมือนกับเรามีดเป็นสนิมพระเป็นสนิมใช่ไหมที่จะทำให้มันคมมันแหลมมีครั้งนึงทำไงก็ต้องเอาไปเตาบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรสูบเอาไปชุบไม้อะ เขาก็ต้องไปเผาแดงเลยใช่ั้มเพื่ อ, อไปตีอะไรออกสนิมมันออกถึงจะเอาไปตีได้จิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่าจะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยต้องเผาเผามันออก <c oughs> แล้วเอาไปตีเขาไปตีคือไปฝึกใหม่ให้มันแหลมมันคมให้มันไม่มีสนิมอันนี้คือตัวใช้ตัวปัญญานะเอาละกายกายานุปัสสีวิหารติมีสติสั ม, มยพิจารณาเห็นกายในกาย<โ>อะไรในกายบ้าง อันนี้กายนอกนั้นนี่ไม่ต้องดูมันก็ได้กายในขณะ น, น, นี้รู้สึกไงบ้างในตัวบางคนจะปวดหนักบางคนจะปวดเบาบางคนจะหนึบบางคนจะหนักส่วนนั้นส่วนนี้ของร่างกายนี่อันนี้คือเรื่อความรู้สึกในกายแต่กายหรือรูปเฉยเนี่ยถ้าไม่มีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไะเขาเรียกว่าสบบ้างคนนอนหลับบ้างคนสลบบ้างคนอามาพุกอมามพาดบ้างผิดปกติ ใช่ไหมแต่ขนาดเราปกติเงี้ยมันจะต้องมีความรู้สึกใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดในส่วนของร่างกายดูตัวนั้นทีนี้อันที่สองวเวทนาญเวทนานุปสิวิหารติอาตาปีสติมาสัมบัชโนวินัยยโลเกอภิชาโทมนาสัง่งเ็อันทั้งหลังว่าอภิชาโทมนาอาตาปีสติมาสัมบัชสัมบชโนสติมาวินัยยโลเกอภิชาโทมนาสั่งตัวนี้สําคัญ วินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเพื่อนําเอาซึ่งความอภิชาและโทมนัสออกอภิชาคือความพอใจโทมนัสแปลว่าความไม่พอใจเพื่อจะเอาสองอย่างนี้ออกแต่เม่อกี้เขาบอกทุกกรโทรมนัสคือความไม่สบายใจไม่สบายใจใช่ไหมแต่ภิชาโทมนัสหมายถึงความพอใจและความไม่พอใจวันๆหนึ่งเราจะมีแค่สองอารมณ์นี้เออะเดี๋ยวก็พอใจเออะเดี๋ยวก็ไม่พอใจถ้าถูกดุ ก็ไม่พอใจถ้าถูกชมก็พอใจถ้กินอาหารอร่อยก็พอใจโอ้อันนี้อาหารไม่ได้เรื่องเลยก็ไม่พอใจก็สลับกันอยู่แค่นี้มืดสว่างสว่างมืดมืดสว่างสว่างมืแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะจิต่องเราจะไม่ตกไปสองอารมณ์นี้เราจะเป็นผู้อะไรผู้ดูแต่ความจริงมันมีสามนะเวทนาที่ว่าสามหนึ่งความรู้สึกสบายทําให้เราพอใจ สความรู้สึกไม่สบายทําให้เราไม่พอใจสามบางครั้งเฉยเฉยขณะนี้เราก็ไม่มีความรู้สึกดีหรือไม่ดีนะเฉยเยเพราะนั้นไอตัวที่สามเนี่ยเป็นปัญหาเฉยเฉยแบบไหนเฉยเฉยแบบมีสติหรือเฉยเฉแบบขาดสติถ้าเฉยเฉยแบบขาดสติเรียกว่าโมหะหรืออวิชชาถ้าเฉยเฉยแบบมีสติเรียกว่าปัญญาหรืออุเปเฆา ตัวเดียวกันนะ่ะแต่ว่ามันตัวแปลกสําคัญคืออะไรมีสติหรือขาดสติตัวที่สามเนี่ยถ้าเรามีสติมันกลายเป็นเปลือกขาแล้วเป็นปัญญาเวทนาที่เฉยๆนะี่นะแต่ถ้าขาดสติมันกลายเป็นในวันเป็นอะไรถ้าขาดสติเป็นอะไรเฉยๆเฉยไม่ได้เฉยก็จะหลับท่าเดียวใช่ไหมที่ขาดอะไรขาดส ต, สติเราจะทำํำไงให้มันมีสติ เฉยเนี่ยถ้าขาดสติปัจจัยกายเป็นโมหะแล้วจะง่วงอวิชชาเข้าถีนมิทะเข้าทันทีเลยใช่ไหมสังเกตไหมนี่คือษาธรรมะศึกษาตรงนี้จะไปศึกษาอ่านฟังไม่เลืเรื่องได้ศึกษาจาของจริงที่เกิดใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกหลักๆมันมีสามคือสุขเกเวทนาทุกขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆแต่ทั้งสามตัวเนี่ยมีความสบาย สุขเวทนาถ้าเราไปติดมันก็จะกลายพัฒนาเป็นตัวหอใจเป็นตัวราคะไปเรื่อยๆแต่ความทุกข์เวทนาความไม่สบายกายถ้าเราตามกําหนดรู้มันก็จะกลายเป็นปัญญาเป็นทันทีถ้าเราไม่กําหนดรู้ก็กลายเป็นพัฒนาเป็นพยาปาทะโทมนัดเป็นพยาบาทเป็นตัวโทสะเป็นโกรธะเป็นมานะไปเรื่อยๆของมันเลยเห็นไหมมันพัฒนาสายมันไป แต่พอมีสติเข้าไปกำหนดรู้โทสะ ก, ก็กลายเป็นทุกทุลมนัตตุเนีก้กลายเป็นปัญญาอีกและบางครั้งเราพอใจก็ ม, มีไม่พอใจก็มีสติเข้าไปตามรู้กลายเป็นปัญญาคืออุเบกขาเป็นตัวปัญญาถ้าไม่สติไม่ตามรู้กลายเป็นโมหะเป็นตัวอภิชาเพราะฉะนั้นมันมีสามสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาในส่วนข้างในโอ้ จำได้หรือเปล่านี่ยไม่ได้พอเข้าใจนะอธิบายเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจแต่ให้จำแต่ให้จำเาไม่ต้องจำแต่เอาจํำเอาตัวสาระของมันตัวอธิบายเหมือนเปลือกทุเรียนแต่ตัวเข้าใจเหมือนเนื้อทุเรียนเราเขากินแต่เนื้อมันจําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนเจ้าของสวนเจ้าของสวนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเนื้อทุเรียนไปขายได้เพราะอะไร พอมันเจเละเสียก็ต้องอาศัยเปลือกบนหุ้มไว้เพระเปลือกบนหุ้มไว้จะเก็บไว้กี่วันก็ก็ได้ใช่ไหมพอออกจากเปลือกแล้วแค่ไม่ถึงวันเนเจงและเหมือนกันคําสอนของพุทธเจ้าท่านจะเอาเนื้อหาสารา ม, มาสอนเลยไม่ได้ท่านก็นจะต้องห่อหุ้มเปลือกคือปริยัติเอาไว้เป็นพระไตรปิฎกนะอันนี้คือเปลือกนะถ้าเราไม่ไปแต่ต้องมันเนื้อมันอยู่ในเราก็ไม่ได้กินแต่ท่านเรามาเปิดอ่านโอ้อาราปีซาปียาซัมบะชานวิเนหมายความว่าอย่างไงแล้วใครที่จะไปนคนแกะปอกเอาให้กิน ไม่ใครเป็นผู้แก่ผู้ปอกม่ให้กินเราเคยบ้างไหมเคยไปจับพระตรีิเพราะฉะนั้นต่ออาศัยใครกัญญาณมิตรไม่พ้นขูบาอาจารอยู่ดีนี่นี่เรียกว่ากัญญาณมิตรที่จะปอกเปลือกทุเรียนออกแล้วเอาเนื้อทุเรียนให้เรากินแต่บางคนไม่สนใจที่จะปอกไม่ไม่สนใจที่จะกินเป็นยงไงก็รู้ปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันทุกไปก็สมน้ำหน้ามันใช่ไหมบางคนไม่สนใจ เพราะเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวิเศษมากไอ้ผู้ศาสนาแต่ทําไมเราจึงไม่สนใจแล้วก็ประเทศไทยเรานั่งถือผู้ศาสนามาหลายร้อยปีใช่ไหมเราก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์น้อยๆนะเพราะว่าเท่าไหร่เก้านต่าเศร้ามเ้าสิแต่จริงๆแล้วเหลือไม่ถึงสิอันนี้คือความน่าเศร้าของประเทศไทยแล้วก็ซื้อประไตรปิฎก เขาวายาัยว่าจะซื้อกันจังตแต่ถามว่าคนทั้งผู้ซื้อและผู้รับซื้อเนีเคยอ่านมั้งหรือเปล่าฉะนั้นนี่คือเรื่องน่าเศรา้า <c oughs> เพราะฉะนั้นเองเอามาถึงอยู่ไม่ได้ไงไต้องตลอดตลอดไปบอกเนี้ยพี่บ้านแรกๆาสามีโยมก็ถามว่าเธอเป็นพูดแท้หรือพูดเขาถามโยมอย่างนี้นะฮะก็เลยถามโยมก็ถามว่าแล้วเธอเข้าใจพูดเทยียมเพราะคนนี้น่าถือพูดจริงๆบางคนอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็อันนั้นเรียกพุทธประเพณีเราถือแต่พุทธประเพณีแต่เราไม่เข้าถึงพุทธธรรมคือไม่ได้ทําตัวรู้ให้เกิดขึ้นอ่ะเพราะพุทธธรรมนี่ทําตัวรู้ให้เกิดขึ้นนะทำปัญญาให้เกิดนี่เรียกาพุทธธรรมแต่พุทธประเพณีคือตามทำตามระเบียบแบบแผนตามเปลือกมันอ่ะเปลือกมันสวยเหมือนกับเปลือกแตงโมเนี่ยนะแต่ว่าไม่เคยเจาะเข้าไปข้างในว่าเนื้อแตงโมกับเปลือกแตงโมคนละเรื่องเลยใช่ไหมอ่าเรผ่าเข้าไปในเอามันไม่ใช่สีเขียว ีมันมาข้างนอกมันอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นในจุดปฏิบัติก็เหมือนกันนะอันที่สามเอาแค่สองอย่างนี้พอกันกายกับเวทนานะในช่วงจิตกับอารมณ์เอาไาว้ช่วงเช้าเอาช่วงเย็นเพราะเดี๋ยวมันจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นทบทวนอีกทีหนึ่งพูดถึงเรื่องกายเนี่ยท่านก็ไปแยกอีกนะแยกเป็นเท่าไหร่หนึ่งดูกายในกายคือดูอะไรบางหนึ่งดูาตาอาณาปานสติ ดูลมหายใจเข้าออกสองอียบทสี่ดูยืนเดินนั่งนอนสามอีอาบทย่อยพับตาอาปากหายใจเร็วใส่อะไรข้อนี้เร็วอีอาบทย่อยเร็วสัมผััญญาบพบสี่ดูทาสี่ดินน้ําลมไฟเรานั่งได้นี่เพราะท่าอะไรทำให้เรานั่งได้ถ้าดินใช่ไหมแล้วเคลื่อนไหวได้นี่ท่าอะไรท่าล ม, าลมเรานั่งแล้วมันหนักตรงนี้ปวดตรงนี้เป็นท่าอะไร ธาตไฟมันเผาเราอยู่ใช่ไหมแล้วไอการที่เราดินน้ำลมมันทํางานได้เนี่ยเพราะธาตุน้ํามันประสานเป็นตัวเชื่อมประสานทั้งดินทั้งลมทั้งไฟเข้าด้วยกันเพราะธาตุน้ําเป็นตัวประสานออกมาเป็นอากาศที่เย็นบ้างร้อนบ้างใช่ไหมอากาศที่นี่ผ่อนคลายเนี่ยที่เป็นธาตุน้ําสบายแต่พอนั่งไปานานๆน้ําแห้งไปไง <Perfect. S 1> นักคือคือเรอดธาตุไฟทํางานแนละคือร้อน ก็ทําให้ตรงนั้นหนักเราก็ต้องเอาอะไรมาดับน้ํำมาดับก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนดับออกไปนั่นน้ำเราเปไปดับไฟละเน um ี่ยดินน้ำดวงไฟก็ทํางานร่วมกันให้ดูอันนี้แต่นี่เราไปดินไปพิจารณาดินเป็นก๊สินเค่งดินเป็นกสินคนละเรื่องเลยแต่ความจริงดินน้ํำดวงไฟทํางานให้เราเห็นตลอดเวลาแต่เราไม่เคยดูแบบนี้พระก็าไม่ได้บอกเราข้าวไปอยู่ที่ไหนหมดก็ไม่รู้นะฮะเออก็แปลก ไม่เ ค, เคยได้ยินเพราะฉะนั้น อ, อีเรื่องเนี่ยดินน้ำโรงไฟเรียกว่าท่าสีใช่ไหมแล้วต่อไปดูว่าในท่าสีนี่มีอะไรมีอาการ32ผอมขนเล็บฟันหนังกระดูกตับไตไส้พุงรวมไปแล้ว32แล้วในอาการ32นี้มันอยู่เฉยๆได้ไหม มันต้องทํางานตลดเวลาตำกดของอะไรตจลักเมื่อทํางานแล้วมันก็จะต้องเอามีของเสียใช่ไหมของเสียนั่นเองเรียกว่าอสุภากินแล้วก็ต้องไปถ่ายเวลาสตาร์ทรถก็ไอเสียไปไงดําปิดเลยอันนี้มันกฎของธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมการทํางานของธาตุสีในรถมีแหมธาตุสีินน้ำมังไฟมีไหมในรถไม่มีธาตุสีก็ทํางานไม่ได้เหยือพึ่งที่ขวัดําปิดออกข้างหลังนั่นน่ะ แล้วกินไปสักพักเอาวิเข้าห้องน้ําแล้วดื่มไปสักพักเข้าห้องน้ำนั่นเรียกวอสุภะเพราะฉะนั้นอสุภะในวิปัสนาไม่ต้องไปพิจารณาศพไม่ต้องไปดูศพเน่าไปต้องไปเดินไปดูกระดูกรงพยาบาลไม่ไปดูตับไตไส้พูงอันนั้นอสุภะของพราม์เป็นอสุภะของพุทธเสมอเละอสุภะของพุทธเรากินเราถ่ายออกทุกวันเนี่ยมือเปื้อนหน่อยก็ถึงรีบไปล้างแล้วใช่ไหม น, นันนางรำไรกินหน่อยฟักซอกก็ไปแปรงฟันแลอสุภะตลอดตื่นขึ้นมาไปล้างหน้าไปไง น้าบุดหน้าเบลอสุภาห ใ, ให้เห็นแล้วใช่ไหมเนียอสุภาตัวนี้มันใกล้ตัวเราที่สุดแต่เรื่องอะไรเสียเวลาไปพิจารณาศพซากศพใช่ไหมนั่นคือเรื่องเป็นสมถาะาของพรามแต่เราใครจะมาบอกความจริงขนาดนั้นนะ่ะเดี๋ยวภาคคนไหไปพูดความจริ ง, รงก็ได้เรื่องอีกแถ้วถ่านี่กล่าวถูกคาสอนพุทธเจ้าไปโน่นเลยนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นดูกายเอาทบทวนดูกายดูกี่อย่างอีกทีหนึ่ง หนึ่งดูลมหายใจเข้าออกอย่าลืมดิสองดูอิริบทสียืนเดินนั่งนอนสามดูอิริบทย่อยภาพตาอาปากเคลื่อนไหวเลี้ยวซ้ายไหลขวากุมเงยเพราะฉะนั้นามาเป็นคนวัยนะเพราะฉะนั้นไปช้าไม่เป็นคนตามทันก็ทันตามไม่ทันก็นะห้าดูสีอาการสายสองห้าดูเ อ, อไม่ใช่สดูท่าสีดิ ห้าดูอาการสามสิบสองหก <6, S 2> <6, S 1> ดูอสุภะเพราะนั้นดูในกายท่านให้ดูหกอย่างนี้ไม่ต้องจำดูไปเลยหมายความว่านึกอันไหนได้ก็ให้ดูอันนั้นเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ก็ดูโอ้รู้สึกว่าหาววอดๆนี่ดูอะไรในแทนเวลาหาวเนี่ยเป็นท่านอะไรท่านล ม, มไม่ใช่ตามดูไห้ท่านลมใช่ไหมหาเนี่ยเคลื่อนไหว ฝาเครื่องไหวหน้าเป็นเรืยบทใหญ่เรือบทย่อยย่อยดูมันไหม ว, ว่ามันหาอาการเริ่มตรงไหนนี่เราขาดอะไรขาดสติเพราะนั้นเราจึงทําตัวรู้ให้มากที่สุดว่าไงพวกเกดตามดูสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าสติสัมผัสไม่เข้มพอเนี่ยมันดูไม่ทันใช่มมันดูมันไวเกินไปเพราะฉนั้นเราถึงทําเยอะมากไงแต่ทําไมเราทักขี้เกียจทําพราขาดอะไรขาดศรัทธาและปัญญาอ่า เพราะนั้นสิ่งที่เราเพิ่มแต่ลอดเวลาคือเพิ่มศร<ม>ัทธาศรัทธาจะเพิ่มยังไงทีนี้นี่คือข้อยากของมันศรัทธาเราจะต้องเห็นประโยชน์ก่อนถึงจะศรัทธาใช่ไหมเราจะจะหาเงินมาเพื่อให้ได้ซื้อบ้านซื้อรถได้แต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเราลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเรียนตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปไม่รู้กี่ปีคุยจะได้มาเนะี่ยสิปี20ปีคุยจะเรียนจบเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเพงเพื่ออะไร หาเงินยมอุย้ยทํางานหนักทุกวันนะเป้าหมายเพื่อเงิ น, เ ง, นเงินเพื่อสนองอะไรความอยากไม่มีการสนองตัวรู้เลยทีนี้อันนี้คือวัตถุภายนอกนะรูปธรรมนะแต่มาดูทางด้านนมามธรรมว่าการที่เราจะสมมติหาเงินมาตอบสนองความอยากได้ความสุขความสุขนี้ทางที่เราเกิดจากความอยากเจยเป็นความสุขที่แท้จริงไหมเป็นความสุขแท้ไหม ไม่แท้ไม่แท้หมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นหายไปกินอร่อยกินอาหารอร่อยสุขไหมสุขสักพักพออิ่มแล้วอร่อยไหมเน่เราต้องการแค่นั้นเวลาไปฟังดนทรีเพราะเพราะโอ้ขนาดฟังนี่เพราะแต่เลิกฟังแล้วเป็นไงหายไปหายไปแล้วมันมีความสุขอยู่แค่นั้นแต่เราก็หาเงินทั้งชีวิตเพื่อไปแลกเอาความสุขชั่วคราวอย่างนี้แค่แวบเ ได้กินอาหารได้ฟังดนตรีได้กลิ่นหอมๆได้สัมผัสกับนิ่มๆกับลูก ก, บกกับผัวกับเมียได้อารมณ์อย่างใจแล้วก็หายไปบางครั้งก็ไม่ได้อย่างใจใช่ไหมกินอาหารว่าไม่ใช่อร่อยทุกมื้อนะเวลาเจ็บป่วยมากินอาหารอร่อยเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยความสุขที่นี้เสื่อมไหมแต่ความอร่อยของอาหารไม่ได้เสื่อมแต่ผัสสะของเรามันเสื่อมแล้วใช่ไหม อ, อยู่กับลูกกับผัวกับเมียสักพักหนึ่งอาป่วยไม่สบาย ผัวเป็นนว่าพาดแม่เป็นน้ำวพึกลูกเป็นมะเร็งเป็นไงทุกทั้งชีวิตเลยทีนี้หรืออยู่ไปสักวักหรือผัวนอกใจเมียนอกใจลูกไปติดยาเป็นไงความสุขโดยการพัสสะหายไปแล้วแต่เราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะเรียนหนังสือเพื่อจะหาการทําเพื่อความสุขเพียงแค่นี้ถามว่ามันคุ้มกันไหมไม่คุ้มเพราะยันพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนฉลาดท่านเห็นขบวนการนะังเงี้นนยท่านก็เลยทิ้งทั้งหมดเลย มีพระราชวังมีขุมเงินคุมคำมีอามาธราชบัณฑิตมีอาณาประชาราชมีแผ่นดินมหาศาลทั้งทิ้งนี่คือคนฉลาดที่สุดแล้วออกมาพอทังจ้าท่านได้สําเร็จแล้วท่านก็บอกคนอื่นดอกคนอื่นก็ต้องทําตามพอทําตามมาเห็นจริงเออเพราะฉะนั้นสมัยนั้นคนก็ได้เข้าถึงสภาวะธรรมเพราะเห็นความจริงอันนี้แต่ถ้าหากว่าใครไม่เก็สท่านก็ปล่อยไว้ไม่ต้องไป เซาซีให้เรามึงอยากทุกข์กัป่อยมัเเ้เต็มที่เลยให้เต็มคราบเลยแต่อีคนที่ฉลาดมันไม่คิดอย่างนั้นเออใช่เขาทําได้ฉันก็ต้องทําได้มันแค่ไหนเชียวมันก็จะเกิดฮึดขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาที่เรามานั่งทํากันนะนะเสร็จแล้วในทั้งหกอย่างเนี่ยดูให้ดีนะกายในดูกายในกายเนี่ยหกอย่างก็ดู ลมหายใจเข้าออก<ห>แต่ลมหายใจเข้าออกที่ไม่ใช่ไปนั่งดูว่าเข้าคุดโทรออกหายใจเข้าออยุบหนอหายออไม่ใช่ไปดูอย่างนั้นนะเราหายใจแล้วแต่ เ, ว, เวลาเพียงแต่มีสติตามดูเท่านั้นเองยาวสั้นใช่ไหมหายใจ ย, วยาวยรู้สึกเป็นไงผ่อนคลายสบาย ห, ห, หายใจสั้นๆรู้สึกเป็นไงเหนื่อยเห็น <He ard S 2> ไหมก็ให้รู้แค่นี้แต่รู้สึกเหนืหน่อยเมื่อล้าแสดงว่าหายใจเป็นไงสั้นแล้วแล้วรู้สึกเฟรชมีพลังแสดงว่าหายใจยาวแต่ทําไมคนจึง ไม่ชอบที่หายใจยาวเพราะอะไร mm hmm. เพราะไม่ได้ฝึกอาณาปัณสติฝึกอาณาปัณสติไม่ต้องไปนั่งขดคอเงาคู่ตามลมหายใจไม่ต้องคุณจะหายใจที่ไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก็หายใจเข้าไปนี่ใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งให้มันปวดเนื้อปวดตัวเลยหายใจได้บ่อยดีแต่ให้มีสติตามรู้หน่อยแต่ถ้าไม่ไม่มีสติตามรู้พอหายใจข้างสองข้งก็หยุดแล้วกลับไปหายใจสั้นเหมือนเดิมใช่ไหม mm hmm. แต่ถ้ามีสติตามรู้มันจะหายใจยาวได้ระยะยาว เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็จะทำให้ร่างกายของเราดีความไม่สบายกายก็เพรา ะ, ะนั้นในสถิระฐานสูตรในหมวดกายเนี่ยท่านต้องการให้รักษาความสบายของกายเอาไว้ถึงมีถึงหกอย่างเนหนึ่งบริหารลมหายใจให้ดีสองบริหารอะไรในแทนที่พลวงพ่อาเมืเ่อกี้อันที่สองอะไรใ น, ในไทย อันที่สองอะไรอันที่หนึ่งคือจมหายใจอันที่สองดูอะไรดูกายนั่นเห็นไหมจำไม่ได้นี่ขนาคนหนุ่มนะแต่เยาวะแต่คนแก่เลยคนหนุมน่มเพราะขาดอะไรถึงไม่จําไม่ได้เพราะขาดสติในการฟังนะฟังหลงจําไม่ได้อันนี้ของจริงเกิ เ, กเฉพาะหน้านะไม่ใช่ว่าเราจะนั่นนะอืันที่หนึ่งดูรมาที่สองดูอิริบทเลย อัสี่ยืนเดินนั่งนอนอันที่สามดูบทย่อยภาพตาปากหายใจเคลื่นไหวเหลีวไส้ะไรควาคุมเงินหยิบหยับจับชวยใช่ไหมอันที่สามอันที่สี่ดูทาตุสี่สดินน้ำโล่ไฟกำลังทำงานอยู่ตรงนี้แล้วนั่งได้เพราะธาตุดินเราเคลืนไหวได้เพราะธาตุลมเรานั่งแล้วหนักเบาต้องดิ้นอยู่เลยนี่เพราะธาตุไ ฟ, ไฟไแล้วก็ทําให้มันเบาลงให้มันสบายขึ้นเพราะธาตุน้ํา ทำสัมผัสตลอดเวลาแต่เราได้เห็นมันไหมได้เลืกลเรื่องรู้มันบ้างไหมในอาการเหล่านี้ไม่เลยเลือกลื้เพราะเราขาดการฝึกฝนใช่ไหมพราอพาฝึกฝนทีก็ไม่อยากทําเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เกิดก็ต้องปล่อยให้โง่ไปก่อนอันที่สามนะยีบุตรย่อยอันที่สีอะไร อัสี่อันที่ห้าอาการสามสิบสองอันที่หกอาสุพะจำให้ขึ้นใจ <6 S 1> แล้วเราลึกได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนแล้วแต่เวลาพรกพุทธเจ้านั่งเราจะเห็นภาพภาพอะไรนะที่เป็นวงกลมรอบศีรษะของเราเนะี่ยลัทธิแล้วเรียกว่าอะไรฉับพันธังสีงสใช่ไหมฉับพันธังสีทำไมชื่ อ, อยัฉับเประกฉะไปว่าหก วันแปลว่าสีพันรังสีแปลว่าสว่างวันนะ่ะแปลว่าสีแสงชาวพนะงรังสีแปลว่าแสงสว่างที่ครอบพระเศียรอยู่ได้แก่หกประการคือหกอันนี้เองชาวพนัรังสีคืออาการทั้งหกของกายนั่นเองเห็นไหมเพราะข้อถามว่าทาไมชาวพนังเรืงสีมีกี่สีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเออหลายสีแต่คอมชีเขาบอกฉับคือเฉลียวิงแ <laughs> ปลว่าฉับแปลงหกเนลียวแปลงหก ชาะ น, นังสีก็มาจากหกตัวนี้เองถ้าเราเป็นชาวพูดเขาถามเขาตอบไม่ได้เป็นไงไนเป็นชาวพูดเทียมไม่ใช่ชาวพูดแท้ <c oughs> ได้คําตอบแล้วใช่ไหม <c oughs> เป็นชาวพูดเทียมอเพราะฉะนั้นในจุดนี้อยากจะให้เราไปทบทวนเพื่อจะเฝ้าดูทุกยะทุกอย่างมีความหมายในจุดนั้นนะเอามาดูอีกทีนะกาเยกายกายนุ ป, ปัสสีวิหะพิจารณาเห็นกายในกายเห็นทั้งหกอย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งนะั้นไม่ใช่พร้อมกันทั้งหมดแต่คนไหนสามารถเห็นได้เยอะหมายความว่าสติมากขึ้นแต่คนไหนเห็นได้ทีละ อ, อย่างสติอย่างน้อยอยู่ <C> e <ars> เห็นได้แต่ลมหายใจจะลืมพวกนั้นหมดเลยแต่บางคนเห็นทั้งหนักทั้งเบาทั้งสบายไม่สบาย ช, ชัดสติเริ่มเพิ่มขึ้นบางคนเห็นลมด้วยบางคนเห็นตัวเองนั่งด้วยกําลังนั่งนะไม่ใช่ยืนบางคนเห็นท่าสี่เย็นนอนออนแข็งเคร่ ง, งตึงเห็นบางคนเห็นอาการสิสองอาการทั้งหมด แต่ไม่ใช่ว่าดูว่าเออผมเป็นอย่างนี้เล็บเป็นอย่างนี้หนังไม่ใช่ไปพิจารณาอย่างนั้นนะไม่ผิดมาตลอดเลยไม่ใช่ผิดแต่ว่าทํายังไม่ถูกเท่านั้นเองไม่ยอมมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ยมไม่ค่อยเข้าใจมาตลอดเนี่ยมันเข้าใจคือที่เขาบอกให้พิจารณาเนี่ยโยมก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็อย่างที่พี่วิไลบอกอ่ะให้ดูพิจารณาผมขนเล็บปอนสังโยมก็ให้ดูอสุภะโยมแง่หงไม่ออก ก็ไปนึกถึงสร้างศพไปไปมองถึงสร้างศพมันอะไรนั่นก็ถือว่ามีบารมีได้สั่งสมไว้แล้วถ้าไม่มีตนวันนั้นก็จะไม่มีวันนี้นั่นเพราะฉะนั้นคนบุญจริงๆก็มีอยู่แค่นี้แหละในเซี่ยโคนะเพราะเพราเราได้สั่งสมสิ่งนั้นมาก่อนนะไม่ได้มาไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยคือมันคือได้ยินไรันตามรูทีนะเรามาดูตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปตรงนั้น เดี๋ยวมันจะไม่จบเวลาไม่มีเวลาไม่พอเราพูดถึงว่าดูกายเมื่อกี้เราพูดสึงข้อเรื่องอะไรจะดูสองเรื่องรือกายกับเวทนาใช่ไหมที่นี้เรื่องเรื่องกายจบไว้แค่นี้ก่อนพอจาได้แล้วที่มาดูเวทนาว่าตัวเวทนามีสามอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือความสบายไม่สบายเฉยเฉยความไม่ความสบายกายมันก็จะพัฒนาเป็นความพอใจเรื่องอภิชาเห็นไหม ถ้าความพอใจความสบายเกิดขึ้นเราไปแช่มันเราไปติดมันตรงนี้ก็จะกลายเป็นนันทิเรียว่าเพลิน น, น, น, น, นันธิแปลว่าเพลินเคยได้ยินคาว่านันทนาการไหม <ฮะ S 1> น, นันธิแปลว่าเพลินเน <ฮะ S 1> ชน่นเรานอนหลับสบายแล้วก็เพลินไม่อยากจะลุกแยกเป็นนันทิพอนันธิตัวนี้พัฒนาแรงขึ้นไปเราไปตอบสนองบ่อยๆกลายเป็นราคะนันธิราคาะน<ฮ>ะสับเขาเขาเ า, า, า, านะคือความพอใจลึกเข้าไป นันที่ราคะตัวนี้เราไปยึดติดไม่มีสติเองนะไปยึดติดแล้วไม่มีสตินั่นที่ราคะพัฒนามาเป็นกามะราคะที่พอใจมากขึ้นกามราคะพอสบายแล้วมันมีพลังกระตุ้นให้เกิดกามะราคะคือเกิดความกำหนัดใช่ไหมพอเกิดความกำนั ด, ก, ด, ก, นดก็เป็นกามะฉันทะมาเป็นตัวนิวรณ์มันก็พัฒนาไปความติดสบายนี่เองแต่พอเรามีสติรู้ความสบายกายตั้งแต่แรกเราไม่ไปติดสบาย มันรู้สึกสบายกับลูกหนีใะ่มเนี่ยนี่แสดงว่าเรามีสติมันก็จะไม่พัฒนากําลังให้เป็นความกําหนัดการมาฉันทะซึ่งเป็นกีเลที่ตัวที่เราชนะมันยากมากในโูกของความเป็นจริงใช่ไหมเพราะมันพัฒนาเพราะคนส่วนใหญ่ไปติดสบายเนี่ยแต่เราไม่รู้เหตุมันเวลากินอาหารเราอยากกินเยอะๆเพราะมันอร่อยมันก็พัฒนาให้เป็นตัวลาขะเป็นกลัวการมาฉันทะก็ไปเกิดความกําหนัดอีกพอไปฟังเพลงเพราะๆเราก็ไม่ยึดติดเพลงเพรา ะ, ราะมี พัฒนาเพลงสารพัดอย่างไม่พอใจความพอใจมีกําลังมากก็พัฒนาเป็นราคะตารมสันท่าอีกเรากินอาหารอร่อยไปได้กินหอมๆด้วยสัมผัสนิ่มนวนลเราไปพอใจอุ่นนะไปติดความอุ่นพอไปเจอความเย็นความร้อนหน่อยหมดหนีไม่เอาเ <c oughs> <laughs> พราะเราเป็นยึดติดมันใช่ไหมคนก็เลยขี้เกียจคนอะไรเพราะไปยึดติดความสบายแต่ชีวิตจริงมันมันจะมีสลับกันทั้งสบายไม่สบายใช่ไหม พูดไปเมื่อวานนะร้อนเย็นสบายมันสบายเป็นความสมดุลใช่ไหมแต่ถ้าไปยึดติดทางด้านฝ่ายสบายก็เป็นสุดตรงไปท่านทางขวาเรียกว่ากามัสุอะไรกามัสุขอนิการมโยกถ้าไม่สบายเราไปยึดติดความไม่สบายเช่นคนบางคนชอบทรมานชอบพราพวกสาดิทอะใช่ไหมต้องได้รุนแรงใส่กันก่อนพอเพจยึดติดพวกซาดิทพวกติดยาทั้งหลายสาดิทก็ไปยึดติดมันก็สุดตรงทั้งสองข้างแต่ถ้าเอาสองอย่างนี่นะ คามสบายเมื่อสบายมาสมดุลกันพอดีเกิดมัชชิมาปฏิปทาเช่นเวลาเราไปหุงข้าวต้มแก็งต้องใช้ความร้อนใช่ไหมแต่ว่าร้อนๆจะกินได้ไห ม, ไมไก็ต้องปล่อยให้เย็นถ้าเย็นมากเกินไปจะกินได้ไห ม, ไมไก็ไม่บูดแต่ถ้าอุ่นๆสดๆนั่ น, นคือมัชชิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นในกฎของความเป็นจริงในชีวิตจั่วันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่เกิ ด, ดการแอปพลายทางปัญญาไง ในคนเรานั่งเงี้ยไม่สบายใช่ไหมพอเราเปลี่ยนไปมันสบายความไม่สบายคือความร้อนหรือความเย็นความร้อนพอผ่อนคลายไปความเย็นใช่ไหมร้อนกับเย็นทํางานตลอดเวลาแต่เราไม่กดเข้าใจกวดความจริงอันนี่มันก็เลยไปยึดร้อนมาฉันไม่สู้ปวดมาสันไม่สู้แต่ฉันจะไปวิ่งเอาความแต่ผ่อนคลายสบายแล้วก็ไปยึดติดความสบายพอไปยึดติดความสบายปั๊บมันก็กลายเป็น กามวัชันธากามวัชันธาคือมาลุกลานเราใช่ไหมพอมาลุกลานเราพอไปเจออะไรที่มันถูกใจหน่อยเกิดกามฉัชันทาแล้วเกิดความชอบความอยากแรงเป็นกัณฑกายกามวัชันกายมาเป็นตันหาพัฒนาไปแล้วใช่ไหมตันหาอ้กูต้องเอามาให้ได้นะรถคันนี้กูมัต้องเอามาให้ได้นะผู้ชายคนนี้กูต้องเอาผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะกูต้องเอาอาหารชนิดให้ได้นะกูต้องเอาเงินจํานวนนี้ให้ได้นะอยขว้เลยใช่ไหม ดวสวัสดิ์ทำมาตลอดชีพ ย, ยังไม่รู้ว่า looking forward ก็เพราะว่าเกิดกําลังของตัณหามารดุนเรา ล, วลวะวสาเหตุเพียงนิดเดียวอะ่ะเพิ่งเร า, เาไปตีสุขเวทนาเท่านั้นแต่เราไม่มีสติปัญญา ต, ตามรู้มันเลยพัฒนามาเป็นตามราดับเป็นสุขเวทนาก็มาเป็นอภิชาก็มาเป็นนันทิมาเป็นลาคะเป็นกามาชันทะเป็นกามาลาคะแล้วมาเป็นตัณหา จนมาถึงป่านนี้เราก็ยังไม่มีสิ่งใามรู้มันพัฒนาเป็นรากเลยถ้าเป็นรากต้นไม้ก็เลื่อลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วตันหามาแบ่งเป็นสามอีกนะเป็นอะไรบ้างในไทยตันหามีเท่าไหร่ตันหามีกี่อย่างกรมว่าตันหามเพราว่าตันหามีเพราะตันหามสามอย่างใช่ไหมกรมว่าตันหามหมายถึงว่าเราอยากอยู่ในใจเพราะว่าตันหามันค่าไปหามาให้ได้ หามาแล้วมันอยู่ได้นานไห ม, ม, มโอ้รุ่นใหม่ออกมารุ่นนี้เบือเ่อแล้วอยากไปหารุ่นใหม่รถคันนี้มันตกรุ่นแล้วโทรศัพท์นี้ตกรุ่นแล้วก็อยากไปหาโทรศัพท์ใหม่พราอาหารเมื่อวันเมนูเดิมไม่วันนี้ไม่อยากจะซ้าแล้วไปหาอาหารใหม่นี่เขาเรียกวิภาวะตันหาคือไม่ชอบอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นอันนี้กรารมาตันหาเริ่มพู้ต้นใหม่อีกเห็นไหมอันนี้คือตั ว, ว, ๆๆๆวตันหาเบื่อเบื่ออยากอยากเลยเบ่อเบื่ออยากอยาเบื่อเป็นภาวะตันหาอยากเป็นกรารมวัตันหา ความค้ า, าหาสิ่งตามเบื่อดามอยากเป็นวิพาวตัญหานี่เพียงนิดเดียวนะคือความพอใจหรือความสบายที่เราไปยึดติดที่เราไม่ได้ตามรู้มันพัฒนาความรุนแรงไปถึงขนาดนั้นแล้วคนก็ได้ฆ่าได้แกงได้ทําลายได้สร้างสงครามได้ข่าฟันรันแทงกันเพราะตัญห า, า, หาใช่ไหมแย่งผลประโยชน์ใช่ไหมเพื่ออามาตอบสนองอะไรความอยากเท่านั้นแล้วก็อ่อไปสงครามทําลายล้าง ก็ขอให้เกิดในทุนก็ให้เกิดคอามมณิ์ก็ให้เกิดเสรีนิยมก็ให้เกิดอะไรต่างๆไปก็เพราะตัวตัญหาเพราะทุกคนไปยึดเอาความสุขว่าเป็นอะไรเป็นตัวตนแต่คนสุขมีตัวตนไห ม, ไ ม, มแต่มันคือมายาของการ เ, เกิดดับมายาของค่าวสมดุลร้อนเย็นแต่เราไปยึดในสิ่งสิ่งที่เราไม่รู้ทางการเกิดดับนี่เองที่เราว่ามามาวันก่อนแล้วใช่ไหม ชีวิตก็มีเพียงมายาของการเกิดดับพอเราไม่มีสติรู้ทันมายาของการเกิดดับไปไปสำคัญต่อการเกิดดับว่าเป็นอะไรเป็นเราเป็นตัวตนเป็นอัตตาใช่ไหมแล้วก็พยายามยึดของสแสวงหาอัตตาตัวนั้นมาเป็นของเราแล้วสแสวงหาความสุขนั้นมันมเป็นของเราแล้วสแสวงหามาตอลอดในชีวิตได้เจอไหมความสุขไม่เจอนอก <laughs> จากไม่เจอแล้วก็ชีวิตก็อานาถ ด, ด้วยนะครับดังนั้น เรามาเจริญสติเพื่ออันนี้เพื่อมาเข้าใจจุดนี้เท่านั้นเราจะไปตามดูการเกิดดับของจิตที่เป็นปรมัทิตย์มันยากแต่เรามาดูในส่วนที่เป็นสมมติมันง่ายเช่นในขณะนี้น่นะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยเกิดแล้ใช่ไหมอพอเราขยับปั๊บเมื่อยหายไปความเมื่อยก็เป็นไงดับใช่ไมพอไปสักพักหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกฎของอะไรอานนี้จงทุกขังหน้าตาหมุนไปตามนั้นใช่ไหมแต่เราไม่เคยเรียนรู้มันมันก็เลยต้องไปสำคัญมันหมายมันผิดดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เราก็เริ่มศึกษาแก่หน่อยไม่เป็นไรไม่สายแต่ถ้าเรายังนุ่มสาวๆจะมานั่งอย่างนี้ฟังอย่างนี้ก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ ไ ม, ไ, ไม่ใร่ไม่ใช่ถึงวัยศรัทธาและปัญญายัางไม่พอต้องไปตรงนั้นสมัยก่อนนะเด็กแค่อายุเจดขวบ้าขวบบรรลุธรรมเยอะแยะไปสมมเณีลักขิตัสัมมณีอธิมุตตะสัมมณีสามะสัมมณีสังขิจัสมณีพวกนี้อายุแปขวบเก้าขวบบรรลุเป็นพระอรน์น่ะเอออย่าไปว่านุ่มเกินไปสาวก็ไม่มีหนุ่มไม่มีสาวขึ้นอว่าศรัทธาและปัญญาเขาพร้อมไหบ้านท่าบอกว่าเช้าไม่วัดกันหรอกฝ้ายคนแก่ไปเห็นไ หมายความวาแกมาหมดสภาพก็เริ่มาไว้วัดเ <c oughs> ขาขี้เกียจดูแลเ <c> ผ <oughs> อ ว, ว่าไปวัดพระจะได้ดูแลแทนว่างแล้วนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนแก่บรรลุทําก็เยอะแยะนะสมัยนั้นมีพาม์คนหนึ่งชื่อลาท่าพามอายุมากแล้วนะเพราะสมัยนั้นคนอายุเกินหกสิบพรุทธเจ้าไม่บวชให้ไงไปขอบวชแต่ว่าลาท่าพามนี่ตอนเป็นชาว บ, บ้านแบบโยมสวัสดิ์เนี่ยเวลาพระผ่านหน้าบ้านก็ใส่บัตรทุกวันทุกวันใช่ไหม ทีนี้สายนั้นอะ่ะท่านภาษาริบุตรเดินบ่อยก็ได้ใส่บาตรภาษาลิบุตรท่าพีอ่าท่านใดอ่าหนึ่งท่าพีแค่นั้นเองใช่ไหมทีนี้พอไปขอเลื่อมใสยอยากจะบวชไปขอบวชผู้ที่เจ้าผู้ที่เจ้าบอกหกิบแล้วยังไม่บวชผู้ที่าถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าใครว้างที่ได้รับอันนี้สงการให้บุญให้ทานกับพามคนนี้ว้างภาษาริบุตรยกมือข้าพเจ้าได้รับ เพราะว่าพราหมณีใช่บาททุกวันเ ถ, ถ้าอท่างนั้นถือเอาไปฝึกให้หน่อยก็แล้วกันถ้าฝึกดีแล้วค่อยมาบวชโอ้โหพราหมณีดีใจก็เลยภาษาลิบุตรเอาไปฝึกโอ้กายเป็นคน อ, อน่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ถือว่าภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นรุ่นลูกรุ่นห ล, นลานก็ฝึกอย่างดีไม่นานภาษาลิบุรก็พราหมทีเจ้าโอ้ พ, พ, พราหมนี้ใช้ได้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายไม่มีมรนะทิฏฐิในฐานะเป็นคนแก่ ก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็กๆคนทั้งสุดได้เลยไม่นานปรากฏว่าผามันเริ่มเดือรุเพราะฉะนั้นจะไปดูถูกคนแก่ไม่ได้คนแก่ก็มีแชน้นเหมือนกันแต่ว่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหรือเปล่าก็นั้นนะไม่ใช่พอลูกหลานพูดผิดหูดหน่อยกึ้งขึ้นมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเอ อ, เ อ, อขึ้นม า, า, านนนใช่เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่เลือกหนุ่มไม่เลือกแก่น่ะไม่มีอายุ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขว่ามีสถานและปัญญาพอไหมไม่พอเนี่ยไม่พ อ, อนะีญญแต่แต่สมัย <c oughs> ครำพูธการเนี่ยท่าน <c oughs> ท่านพยายามที่จะเอาคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรคนหนุ่มคนสาวมีสติสมญะสมบูรณ์มีกําลังความอดทนสูงและมีทิฏฐิมรณะน้อยเ <c oughs> พราะว่ายังไม่ได้ผ่านอะไรมากาม <c oughs> ใช่ไห้การสังสมอัตราตัวตนยึดมั่นถือมั่นยังไม่ค่อยมีทิฏฐิมนณะไม่ค่อยสูง ขอให้ทำรรมาไปเกิดความเชื่อฟังเกิดความเข้าใจปั๊บมีบรรลุธรรมเลยได้ดวงตาเห็นธรรมดังนั้นอันนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญจึงอยากจะให้ไปทุกคนอีกทีหนึ่งวิทนาสามนะอย่าลืมนะพอใจทําให้เกิดอะไรได้บ้างความติดสบายทําให้เกิดอะไรได้บ้างความติดสบายติดบ่อยๆไม่มีสติเกิดความเพลินในความสุกนั้นและความเพลินในสุขนั้นก็ให้เกิดการเพ่งจ้องหานอนนิ่ อยกจะนอนมากขึ้นไปกินนิึ่งอยากจะกินมากขึ้นไปเพิ่มจํานวนเพราะมันเพลินคือนันทิแล้วกําลังของความอยากก็เพิ่มขึ้นเป็นกันี่ราคะเป็นกามฉันทะฝักใฝ่นนในการที่จะความอยากให้มากขึ้นไปแล้วเป็นกามะตัณหาภา <c oughs> วะตัณหาที <c oughs> ่ภาวะตัณหาที่ <c oughs> จากตัณหาหลุดจากตัณหายังไม่มีสถิ ต, ตามรู้อีกเป็นอะไรเป็นโลภะที่ความโลภอะเช้าไหม อยากจะได้จํานวนเยอะๆที่พูดมาเมื่อวานนี่ยนกมันไปกินผลไม้ทั้งต้นเนี่ยกลับบ้านเนไม่เคยอยู่ไปสักกผลนะแต่คนไปเจอเนี่ยเอาหมดเลย <c oughs> ท่านได้กินไปอิไ ม, ม่ปกี่ผลนะใช่ไหมแต่นกมัน ก, กินแล้วก็บินหนีแต่คนกินแล้วเออเอามาหมดเลยมาขายต่อๆๆเพื่ออะไรเพื่อไปแสวงค้ากรรมในส่วนอื่นเพื่อจะไปซื้อรถ ไ, ไปซื้อบ้านไปจะไปซื้อลูกซื้อเมียซื้อผัวไปซื้อทรัพย์สมบัติมาไว้เห็นไหม เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขแก่ตัวเองเลยไปคอลเลกต์เอามาไว้อันนี้คือสาเหตุของความาตันหาโลภะใช่ไหมพัฒนาตันหาพัฒนาเป็นโลภะและโลภะนี้ก็ยังไม่มีสติกาหนดรู้อีกเพราะได้มาก็เสียไปก็เสียใจใช่ไหมวันนี้หาได้มาหนึ่งแสนพรุ่งนี้เสียไปสองแสนอย่างเงี้ยช็อกก็ทุกข์ะนะแต่ว่ายังไม่เข็ด ก็เสด็จหาต่อไปอีกก็กลายเป็นลาพานุใสมีความอยากเป็นนิสัยพัฒนาไปเป็นลาพาความอยากเป็นนิสัยอยากนุ่นอยากนี่อยาไปเรื่อยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีว่ามันจะผิดกฎหมายศีลธรรมขอให้ฉันได้ก็แล้วกันลัทธิวัตถุนิยมก็เกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างได้ความอยากบางคนนี่มีขอบเขตไหมไม่มีแต่ว่าวัตถุในโลกมีขอบเขตใช่ไหมมีจํากัดใช่ไหม ต้นไม้แต่จะขึ้นมาได้ให้ตัดแล้วแต่ละต้นใช้เวลา10ปียีป่ปีแต่คนใช้เวลาตัดกี่นาทีใช่ไหมใช้เรื่อยก็ไปถึงห้านาทีแต่ว่ามันใช้เวลาเติบโตเป็นหลายสิบปีมันจํากัดเมื่อจํากัดแล้วเมื่เกิดการอะไรแย่งชิ ง, งเกิดการแย่งชิงแล้วเกิดการขัดแยง้งเกิดการสู้รบเกิดสงครามเพราะตัวติดสบายนิดเดียวมันไปถึงขนาด น, นั้นเลย แล้วพัฒนาไปเป็นตัวอะไรต่อกามุบาทานอุปาทานไปกามอุปาทานมองอะไรก็อยากจะได้หมดคิดว่านั้นเป็นของเราสมมติว่าอันนี้ของธรรมานะถ้ายมคว้าไปดื่มอย่างนี้แล้วไม่ยินให้ธรรมาต่อเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมที่แก้วของโยมตั้งอยู่เนี่ยเอามาคว้ามาดืม่มเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมเพราะเรามีอุบาทานนะว่าอันนี้เป็นของเรา เลือว่าพ่อใหญ่สวัสดิลูกขึ้นเดินไปไยนไปเตะน้ํากระจายเลยของน้องหมดเลยวายเลยทีมั้ยกรรมวุประธานใช่ไหมเออโอ้โหนี้ขึ้นไกลกลับไปที่นอนเพราะว่าของหายเป็นเรื่องเลยรใช่ไหมใครมาค้นเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องหมดเลยเซตีเรื่องมเลยเซตีแตกหมดเลยกรรมวุประธาน <c oughs> ว่านี่คือของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆกลับไปบ้านไปเจอลูก ลูกไม่อยู่ลูกไปไหนลูกหนีจากบ้านเออมันไปไหนไม่รู้เราเห็นไปกับคนหนุ่มไอ้หนุ่มเมื่อกีกก้ไปเรื่องอะไรอยู่อุ้ยขึ้นเลยดีนี้สติแตกไอส้สติแตกกรรมวุฒิประธานเก้าไปห้องออกปรโภคกล้องไม่มีก้องวางนี้หายไปไหนหาวุ่นเลยทีนี้สติแตกอีกกรรมวุฒิประธานนี่นมัาานมีความรุนแรงแต่มันสังสมมาจากอะไรความติดติดที่ความสบายเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีสติตามรู้ท่านบอกว่า หัวไม่ขีดแม่แต่นิดเดียวมันสามารถเผาตึกได้ความติดสุขแม้แต่นิดเดียวมันสามารถที่ทำลายล้างภพชาติให้เกิดภพชาติที่ดีๆเป็นภพชาติที่เสียได้จากกรรมอุปทานไปเป็นกามาสวะเป็นละเอียดที่สุดเลยใช่ไหมพัฒนาปื้อเดี๋ยวลากลึกเป็นละเอียดกิเลสอย่างยาบก็คือตัวโทตัวตัณหาใช่ไหพัฒนา กิเลสอย่างกลางก็กลายมาเป็นตัวโลภะเออไม่ใช่กิเลสอย่าขึ้นโลภะกิเลสอย่างกลางคือตัณหาและกิเลสอย่างละเอียดคืออสวะ<ม>จากการติดน้อยๆเนี่ยนั้นไฟที่ติดหัวไม่ขีดเพียงน้อยๆสามารถทําลายบ้านเมืองได้ชันใดความรู้สึกสบายเพียงน้อยๆที่เราไปยึดติดมันสามารถเป็นไฟแห่งราคะตัณหาเผาผลาญไปตลอดภพชาติเดือนว่าแต่เกิดต่อไป พระุทาและพระหันทั้งหลายท่านเห็นอันตรายตรงเนี้ท่าเลยกลัวที่จะไปยึดติดความสุ่ความทุกข์พยายามปอกกินมาเป็นกลางเสมอเวลาสบายก็โวันไหนกินอาหารไม่อร่อยนระู้สึกไม่เป็นเรื่องเลยนะวันนี้กินอาหารไม่อิ่ไม่เป็นเรื่องเพราะเราไปยึดติดแล้วมันก็จะกลายเป็นเชื้อไฟแห่งโลกกดหลงเผาเราไปเรื่อยๆนี่คือการพิจารณาถึงเวทนาเพื่อให้รู้เรื่องนี้อันที่สองนะ เพราะนั้นในเรื่องจิตและเรื่องอารมณ์ลึกลกว่านี้อีกวัะ น, นั้นเอาเรื่องนี้ไปทํกกาเรื่องกายก็บเรื่องเวทนานะสองเรื่องนะแต่ถ้าเวทนามันลึกไปหันมาดูกายก่อนดูกายดูให้ทั้งหกอย่างได้ไหมจาได้อยู่ไหมหกอย่างเมื่อกี้มีอะไรบ้างวัน ม, มีอะไรบ้าง เ, เดี๋ยวอย่าเพิ่งดิถามเด็กก่อนทดสอบความจําของเด็กเด็กอาจจะจําได้ดีกว่าเรามีอะไรบ้าง เออม่คพูดไปทั้งเยอะว่าเเกี่ยวกับกะกอะไรอีกเกี่ยวกับกายเออ ก, ก, กายากม่เที่ยงแล้วว่าบุรีห้าอย่าง <c oughs> <c oughs> หายอย่าง <c oughs> หกอย่างมีอะไรบ้าง น, <c oughs> นี่คนหนุ่มนะต้องจำให้ได้ใช่ไหมสติปัญญาการแหลมคงทีเดียวละ <c oughs> หกอย่างมีอะไร เดี๋ยวไปยมยมสวัสดีนะยมสวัสดีแก่กว่าเธอและรุ่นไหนก็ไม่รู้นะถ้ายมสวัสดีตอบเป๊ะๆขึ้นมาได้เดินยใครเสร็จเลยนะเอาบ้าไปเมื่อหลถามในในอันก่อนนะวันตอบไม่ได้ถึงจะเป็นเธอว่าใครใครจะสอบได้สอบตกก็วันนี้ไงมีอะไรบ้างโอ้มันหมดเวลาแล้วนี่โอเคฝากไว้ก่อนหมดเวลาแล้ว